ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องเจาตาสูตรสืบต่อจากที่จะกล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนเรามาพูดถึงหลักธรรมที่ทรงเน้นไว้ในพระพุทธธรรมรัรรต่ตอบ คำถามของเทวดาที่ว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เห็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดปิสุทธินั้นพึงึงสางชัดคือตัณหานั้นได้ก็ในแง่ของความเป็นจริงก็คือการปฏิบัติตาหลักของ ศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพียงแต่ว่าศีลในที่นี้ทรงเน้นไปที่จตุปาริสุทธิ์ที่ศีลทั้งสี่เพราะว่าทรงหมายถึงตัวภิกษุแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆ คือเมื่อเริ่มต้นด้วยธรรมะข้อใดข้อหนึ่งธรรมะก็จะเข้าสู่กระบวนการของกุศลธรรมเหล่านั้นผลเบื้องหลังของจตุปาริสุทธิ์ศีลในแง่ของความจริงก็คือการพยายามปฏิบัติพัฒนาจิตไปจนถึงจุดหนึ่งก็ก้าวสู่ธรรมะ ก็คือศรัทธาคือสติก็คือความเพียรแล้วก็คือปัญญาถึงท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าองธรรมเหล่านี้ที่จริงก็คืออินสียห้าปัญหาว่าสมาธิสีไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าสมาธิสีนั้นเป็นผลในภาคของการปฏิบัติบุคคลจะต้องมีความเชื่อมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วก็ในใจสีขาวแต่นี้การจะเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ต้องมีสติมีความเพียรแล้วก็มีปัญญาและตัวความเชื่อมั่นก็จะเพิ่มไม่เกิดมีความเพียรมีสติมีปัญญาด้วยจะเรียกว่าเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน สมาธิก็จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในขณะนั้นนั่นเองกิเลส ท, ที่ตรงกันข้ามกับธรรมะทั้งสี่ประการก็สงบเมื่อสทาเพิ่มขึ้นความเคลือบแคลงสงสัยก็สงบความไม่เชื่อก็สงบแต่ถ้าปริมาณก็สูงพอ มันก็ไปส ง, งบที่ราคะไปส ง, งบที่โลภะไปส ง, งบที่โทสะเพราะว่าอาการของสถานนั้นมีความผ่องใสในขณะเดียวกันอาการของปัญญาก็มีความสว่างซึ่งก็หมายความมาทั้งผ่องผ่องใสทั้งสว่างก็ขจัดมืดด้วยกันกยันที่เคยกตัวอย่างว่าทำนอง เวลาเราไปโรงพยาบาลเราก็เชื่อว่าทัางผู้นี้เป็นหมอแต่ว่าก่อนที่เราจะเชื่อเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้คือหมอก่อนแล้วมอหมอตรวจหมอก็บอกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องฉีดยาจะต้องรับประทานยาอะไรเราก็เชื่อแล้วก็พยายามรับประทานยา ในขณะเดียวกันยาก็ก็บอกรายละเอียดเอาไว้มันก็ต้องมีสติแต่มีปัญญาในการพิจิตรณาเพราะเราขยิงในกระบวนการนี้มันก็กลายเป็นอินทรีย์ละเป็นนิสีอยู่ในระดับหนึ่งการหาจากโรคนั้นเป็นเป้าหมายของการเยียวยารักษาการปฏิบัติธรรมะ การสงบระงับของกิเลสการบรรเทาลงของความทุกข์เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมะพอมาถึงปัญญาเนี่ยท่านก็มาเน้นที่ปัญญาในภาคที่ทรงใช้คำว่านิปโกเแปลว่ามีปัญญาที่รักษาตัวได้ ปัญญาในการบริหารการจัดการซึ่งปัญญานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นปัญญาบารมีที่ติดตัวเรามาโดยกำเนิดมีความยิ่งย่อนแตกต่างกันจะเรียกว่าสัจาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดถ้าปัญญามาก ท่านอธิบายว่าเป็นสัตว์ที่เกิดมาจากไตรเหตุคือตอนดับจิตเนี่ยจิตจะสงบจากโลภะโุสะโมหะ ก, ก็แสดงว่าดับไปด้วยจิตที่ผ่องใสมีภูมิจิตสูงมีพบที่จิตไปอุบัติสูง ก็ทำให้ชาติความเกิดของบุคคลผู้นั้นแม้จะเกิดเป็นมนุษย์มันก็ประณีตกว่าคนอื่นซึ่งแต่พระท่านฝังลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยแม้แต่พวกสาวกสาวิกาทั้งหลายบรมีธรรมมาสร้างหมดสร้างตั้งแต่รูปร่าง อย่างพระพุทธเจ้านั้นสร้างสมบูรณ์เป็นรูปร่างลักษรูปลักษ์ของมหาบุรุษสามสองประการแล้วก็มีรายละเอียดที่ท่านเรียกว่าอนุพยัญชนะ80ดสบประการ น, นั่นก็แสดงว่ากรรมมันประณีตมากทั้งทั้งพบทั้งชาติทั้งภูมิทั้งจิตทั้งกาย ทางกำเนิดตระกูลอะไร น, นต่รำปลามีดหมดเลยหรือว่าคนอย่างนางวิสาขาก็ดีหรือคนอย่างพระมหา ก, กัจายานะประสานิบุตรราตรต่างๆคือเราจะเห็นว่ามันส่วนหนึ่งมันเป็นปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดนางวิสาขาเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบ ตอนที่พระเจ้าเสด็จที่พัทยานครบ้านเดิมของนายท่ า, าเนเบนตกะเศรษฐีมีความเชื่อมั่นในสติปัญญาของหลานสาวเมื่อปลายหลานสาวเป็นหัวหน้าในการจัดการรับเสด็จพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนเธอทาได้สาเร็จและความเทศได้บรรลุมรคผลเป็นประสดตบัน เรานึกดูภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบมีความสามารถสูงส่งมากนั่นก็คือลักษณะของกรรมที่สร้างพบภูมิให้มีความประณีตมีบารมีสูงมากสร้างไปถึงอะไรล่ะสถานที่เกิดตระกูลที่เกิดรูปร่างหน้าตายุคสมัย ความโน้มเอียงทางจิตอันนี้คือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดทีนี้โวกนี้เป็นละเรียนเนี่ยจะเรียนอะไรได้เร็วโดาเลือกดูถึงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพรท่านเริ่มเรียนเมื่อเจ็ดขวบแล้วก็จบหลักสูตรศาสตร์สิบแปดศาสตร์เนี่ย ถ้าเราพูดถึงเรียนปัจจุบันก็นานนะก็เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วศาสตร์สิบแปดศาสตรแตละศาสตร์มันลึกซึ้งมากๆจะจบหมดเลสิบแปดศาสตร์ด้วยเวลาเพียงสิบสามปีจะเจ็ดขวบถึงสิบหก แล้วก็แสดงให้เห็นว่าในยี่สิบสามสิเก้าแล้วจะเห็นว่าเป็นการเลี่ยนที่เร็วมากปสาริบุตรเองก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือว่าพระัญญากลทัญญะเนี่ยทันจบไซเพศแลเวททางกาษัตริย์อายุสิบหกนี่ก็พอๆพอกับพระพุทธเจา้า แต่ว่าเขาเรียนเรื่องเดียวนะฮะเรียนเรื่องไตเพศแต่พระเจ้าเรียนตั้ง18บศาตร์เพราะปัญญาสามประการที่ท่านเหล่านี้เรียนทีหลังเขาเรียกว่าโยค่าปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบกระทำเนี่ยมันกลายเป็นความ ช, มนชมนานิชํานาญก็ในระดับความรู้ มีความรู้รอบทั้งลึกทั้งกว้างแล้วก็ไปผูกโยงกับการทั้งสามได้อาจาะเคยบอกว่าคือมันเป็นสูตรสูตรสี่นะฮะสูตรสี่แล้วก็ในหนังสือธรรมวิภาคประเทศที่สองเนี่ย สมเด็จพระมารณาสมเด็จพระมหาสมาเจา้าทรงรวบรวมมาจากพระไตรปิฎกจจตุการนิบาตังคุตติกายหลายชุดสามสี่ชุดแต่ว่าสูตรสี่เหล่านี้ที่จริงเราใช้อะไรเรื่อยได้แต่ทุกวันก็ยังทันสมัยแม้แต่ที่ไม่ได้ส่งแสดงไว้แต่มันเข้าไปอยู่ในสูตรตรงนั้น จนบคนบางคนความรู้ก็ไม่ดีความประพฤติก็ไม่ดีคนบางคนความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีคนบางคนความประพฤติดีแต่ความรู้ไม่ดีคนบางคนดีทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นสูตรสี่อย่างเงี้ยก็มือก็คนมึดมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็สว่างมาสว่างไป หรือว่าคนไม่รู้แต่ไม่ชี้คนไม่รู้แต่ชี้คนรู้แต่ไม่ชี้คนรู้ด้วยลรวก็ชี้ด้วยเราจะจับเป็นสู่ได้ไปตลอดเลยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งปัญญาในลักษณะนี้เป็นปัญญาที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ย คือในกระบวนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะใช้สูตรที่เรียกว่าปุดสูตรภาสูตรหรือภุสัจจะ เ, เป็นการเรียนเรื่องเดียวกันแต่ว่าเจาะลึกลงไปในห้าระดับหนึ่งมีประสบการณ์ทางประสาสัมผัสสองทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มาก สามมีความแม่นยำในสูตรในกฎในหลักในเกณฑ์ต่างๆแล้วก็นำมาวิเคราะห์วิจัยคือไม่ได้เชื่อตามที่เขาบอกแต่ไปใช้สิ่งที่เขาบอกนั่นแหละเป็นข้อมูลอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบ็ดพฤศจิกายน ที่มาตอบปัญหาสดทารสถานีวิทยุแห่งนี้คือมีคนถามมามากคุยตอบเสร็จแล้วก็มีคนถามข้างนอกห้องส่งอีกสองคำถามคำถามหนึ่งเป็นครูท่านถามเรื่อง ไม่ควรเชื่อในเรื่องสิประการที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำเอาไม่ควรเชื่อนะฮะพระพุทธเจ้าใช้คำเ่าไม่ควรถือเอาเพียงเพราะหนึ่งสองสามสี่ว่าไปคือสิบประการเป็นการสอนระดับพิลมตามยะปัญญาคือหมายความว่าประสบการณ์ภาคประสบการณ์ภาคทรงจำภาคแม่นยำเนี่ยท่านผ่านมาแล้ว เพียงแต่ท่านไม่นำสู่การวิเคราะห์วิจัยที่เรียกว่ามนสานุปเกศกิตาคือเพ่งพินิพพิจารณาด้วยใจเพราะในกาลมาสูตรที่จึงไม่มีอะไรเลยคือทรงสอนแก่คนกลุ่มปัญญาชนที่มีประสบการณ์มากแต่ไม่เคยนำไปสู่การคิดด้วยตัวเองแล้วก็รับแต่ข้อมูลดิบรับแต่สะสมสะสมสะสมสะสมแล้วเกิดสับสนเพราะข้อมูลข้อมูลดิบมันตีกันเอง วันวิธีคิดที่จริงพระพุทธเจ้าคิดในลักษณะเอาใจเขามาใส่จใจเราให้ดูที่ความโลคความโปวดความหลงความไม่โลคไม่โปวดไม่หลงที่เกิดขึ้นที่จิตเราอะแล้วเราไปกระทําต่อคนอื่นหรือเกิดขึ้นที่จิตคนอื่นแล้วเขามาทําต่อเราหรือความไม่โลคไม่โปวดไม่หลงก็มีลักษณะอย่างนี้ แล้วคิดในแง่ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เบียดเบียนตนเองหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่อะไรอะไรเนี่ยคือให้ให้ดูเองแต่มีสุขมีทุกข์เป็นผลคนเหล่านั้นก็คิดได้โดยพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอะไรเลยนอกจากว่าตอนสุดท้ายไปสรุปที่พรมิหารทั้งสี่ แต่ไม่ใช่ถึงกะเทศคือเล่าเล่าอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จเจริญพรหมิหารทั้งสี่ประการคือเมตตากรุณามมทิตาวเบคาแล้วก็แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายในชีิตทั้งหลายตามควรแก่กรณีของสัตว์เหล่านั้นนั่นเป็นการ จริญนความไม่โลภไม่โกรธไม่ดุลจึงก็ลบความโลภความโกรธความดุลมันก็กลายเป็นบุญทีนี้ก็ส่งแสดงว่าอย่างไรมันก็ได้ความอุ่นใจคือการทำความดีเอาไว้ได้ความอุ่นใจก็สี่ประการก็ส่งแสดงความอุ่นใจสี่ประการเกิดท่าว่า ผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราทําความดีพูกแง่เราทําความดีท่านแสดงว่าคนทําความดีตายแล้วไปบังเกิดในสุกติเอาแหละสมมติว่านารกสวรรค์เกิดไม่มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันนรกสวรรค์มีเราก็บังเกิดในสวรรค์ในชาติต่อไป ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนตามนั้นคือปล่อยจิตหไหลไปตามกระแสของโลกโกดลงสมมติเราผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันตายไปไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปถ้ามีเราก็เดือดร้อนในชาติต่อไปผลการทำความดีมันให้ความอุดใจ อย่างน้อยเราก็ได้ห้าสิบแหละในชาติปัจจุบันเพนตัวนี้มันก็ต้องใช้ปัญญาคิดจนถึงนำไปสู่ปัญญาประเภทที่เรียกว่าบริหารตัวเองได้ทีนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาทำหน้าที่ขจัดอวิชาอวิชาหรือโมหะทีนี้ให้เราสังเกตเถอว่า ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีความแข็งดีก็ดีความเบียดเบียนก็ดีเนี่ยอะไรก็ตามนะะที่ไม่ดีถ้าเราไม่งโง่แล้วเนี่ยเราไม่ทำหรอกเพราะอะไรเพราะว่าไม่คุ้มอะไรเลยเช่นสมมุติว่าเราไปยักยอกทรัพย์ของแผ่นดินตีตา่างกันได้สักร้อยล้าน แล้วไม่กี่วันเราก็ตายก็แน่ น, นอนสมมติว่าเอาเขาจับไม่ได้อลไรไม่ทันแล้วเราก็อยู่ด้วยความไม่ตกกังวลด้วยความหวาดระแวงอ่านข่าวคราวหนังสือพิมพ์พูดถึงการขอรับชันพูดถึงการจับกุมภุมิขังพูดถึงการลงโทษพูดถึงการตัดสินคนที่ชอราชบางหลวงก็เสียหลังตลอดเวลา พอตายไปทุกอย่างที่ช่อโกงเอาไว้เนี่ยมันเป็นสมบัติทิ้งไว้ในโลกเราบาปมหาศาลนะบาปซึ่งเกิดจากการช่อราดบังหลวงหลอกลวงพระา ช, าาชาชนนี่โอหลอกลวงประชาชนหลอกลวงประชาชนนี่เรื่องใหญ่มากมีบาปติดตัวยู่เจ้าทรงแสดงว่าจะนวงเหนียวไปสู่นรก แต่ว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราโลภแบบโ ง, ง, ง่โงเราริษยาแบบโ ง, ง, ง่โงเราเบียดเบียนแบบโ ง, ง, ง่โงทีนี้พอเราใช้ปัญญาเนี่ยเราจะรู้จักคิดอย่างยกตัว อ, อย่างที่เรากำลังถูกเฉียงรณรงค์กันสองเรื่องนะฮะตอน ไปลายเดือนพฤศจิกาเราพูดเรื่องหว ย, ย, ยบนดินหวยใต้ดินพูดเรื่องการโฆษณาไม่โฆษณาอะไรต่อไรเนี่ยสิ่งเสพติดคือโดยเฉพาะยิ่งคือสุราสิ่งเสพติดเนี่ยมันผิดศีลข้อที่ห้านะฮะ <c oughs> แต่ว่าการเล่นการพ น, นันเนี่ย มันเป็นอบายามุก ค, คือผิดศีลธรรมผิดธรรมะไม่ได้ผิดศีลหรอกแต่ว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยวิธีการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่พระเจ้าจะชีโช้โทษชี้โทษในขณะนั้ น, น, นในขณะต่อไปในขณะต่อต่อไปตลอดถึงพบชาติต่อต่อไป ให้คนคิดว่าหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งสองอย่างมันเผาลนในชาตินี้เผาลนในชาติต่อไปแล้วเผาลนในชาติต่อต่อไปไอพวกนี้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าคนมันไม่ยุ่งเองคนไม่วิ่งเข้าไปหาปัญหาทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการเหล่านี้มันแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาทางจิตวิทยา แก้ปัญหาเรื่องศีลธรรมค่อยๆแก้คล้ายๆ ก, กับเราปลูกพืชอาจจะโตช้าหน่อยแต่ว่าใช่เมล็ดปลูกมันมีรากแก้วคนมีวินัยในตัวเขาเองแต่ถ้าเราวิธีใช้วิธีห้ามโครงครามชงชางไหนชอบพูดกันเป็นนวันวันลั่นไปหมดเลยเนี่ยปัญหาว่าเราเป็นใครเด้ยไปห้ามเขา คือคือการพูดใต่คนฟังเนี่ยมันง่ายพูดแต่คนรู้ก็ง่ายพูดแต่คนคิดค่อนข้างยากพูดแต้คนทํายังยากใหญ่เพราะนั่นถ้าสั่งก็คือสั่งไงทํา่ำเราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครเราไปสั่งเขาคือมนุษย์เดี๋ยต้องสํานึกด้วยตัวมนุษย์เอง เพื่อนพรเจ้าจึงสอนให้มนัสสานุเปกคือตาคือเพ่งพินิษพิจนารณาด้วยใจเองชี้โทษให้ชัดเจนชี้คุณให้ชัดเจนเป็นการเสนอทางเลือกให้เลือกครับคือเวลานี้มันพูจา ก, ก น, นะคือพอห้ามแล้วมันกลายเป็นออกมาทางสื่อพอทางสื่อเนี่ยมันคล้ายๆกับ เรียกร้องความสนใจของคนที่ยังไม่สนใจเอ๊ะทำไมเขาห้ามอ่ะมันเหมือนกับอะไรอ่ะเนืองคราวหนึ่งเดียวมาเคยเตือนเรื่องประลัดขีดแถวรู้สึกจังหวัดชลบุรีอะไรแต่เนี่ยนะนบุรีระยองเลยแ่ไอระยองเลยแต่เนี้ยคือท่านส่วนท่านส่วนอะไรเขียมาบอกว่าคือถ้าเราใช้วิธีการนี้ มันเป็นวิธีการที่เรียกคนคือคนหนึ่งที่ศรัทธาเรื่องประหลัดขินี่มันจะเพิ่มปริมาณขึ้นคนกลุ่มหนึ่งสงสัยอยากดูอยากดูคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อแต่ก็อยากดูต้องการจะจับเท็จมันเพิ่มคนขึ้นไปอีกจานวนมากแล้วคนกลุ่มนี้ ในกลุ่มที่สงสัยมันก็อาจจะไปหลงเชื่อขา่าวหรือกลุ่มที่ไม่เชื่อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นสงสัยแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะเชื่อขึ้นมันก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาเพราะปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีไว้ต้มแกงแต่มีไว้ใช้คิดหาทางออกแก้ไขปัญหาแก่ตัวเอง เพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ย อ, อะไรคือทางออกทางออกกำลังปัญหาแลเนี่นะเพราะฉะนั้นเราชีโช้โทษชี้โทษชี้โทษชี้โทษชี้คุณชี้คุณชี้คุณทีนี้ทางออกจากโทษทำยังไงแล้วจะไปสู่คุณทำยังไงเรานึกถึงโครงสร้างอาณาสักรให้เราสังเกต พระพุทธเจ้ารับสั่งบอกว่ากลุ่มของทุกข์ศาสตร์เนี่ยให้พยายามทาใจรับรู้ความจริงของมันเอาไมไ่เป็นอย่างนั้นแหละกลุ่มสมุทัยก็มองให้เห็นโทษของมันแต่พระเจ้าไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ใช่ทรงรับสั่งว่าห้ามทำบาปทั้งปวงเพราะว่าศาสนาไม่ไปห้ามใครไม่ได้ แล้วก็พอทำกุศลก็บอกการทำกุศลให้สมบูรณ์ก็เป็นบอกชี้ที่บอกคนทางให้ปัญญาตรงนี้มาอยู่ในระดับที่เรียกว่านิปปกะหรือว่าปาริยยปัญญาปัญญาในการบริหารแล้วที น, นี้พวกนี้มันจะถูกถางออกไปเห็นไหมโมหะมันจะถูกกระจัดออกไปทีนี้เมื่อโมหะลดเนี่ยโลภามันก็ลด ราคาก็ลดโพสะก็ลดนะฮะแล้วก็อริษยาเบียดเบียนอะไรต่างๆก็ลดคล้ายๆกันเลยคล้ายๆก็ที่เคยเล่าถึงพระธีรารูปหนึ่งท่านเจริญกรรมฐ า, านคือเรียกว่าอาทิตกะสัญญาคือมองร่างกายให้เห็นเป็นโครงกระดูก ก็มองตัวเองนะไม่มีคนอื่นให้มองหรอกมองที่ร่างกายตัวเองแต่จนเห็นไปโครงกระดูกจริงเป็นความปฏิกูลเป็นความน่ารังเกียจขยะขยะงหายน่าเบื่อหน่ายหน้าระอาในการบริหารในการดูแลแต่มาถึงจุดหนึ่งพอไปเจอกับในขณะที่ท่านกำลังเจริญกรรมฐานเนี่ย มีผู้หญิงทะเลาะกับสามีเดินผ่านไปคงจะซุนเชียวอะไรก็ไม่รู้ว่อาอวรส่หน้าพระเลยพระท่านได้ยินเสียงท่านก็หันไปตามเสียงก็เห็นเป็นร่างกระดูกเดินเลยไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายสามีก็เดินตามมาเห็นพระเดินจงกลมอยู่ก็สอบถามว่าท่านเห็น ผู้หญิงเดินไปทางนี้บ้างไหมท่านบอกว่าไม่ทราบผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่ามีร่างกระดูกผ่านไปในร่างหนึ่งเห็นไหมมันเข้าถึงปัญญาร่างกายที่จริงมันไม่มีมันเป็นการเกาะกลุ่มกันเรายึดมั่นถือมั่นยื้อแยง่งต่อสู้ประหัตประหารกันแข่งแย่งแข่ ง, ขงดีเบียดเบียนกัน ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นเข้าใจกว่านั้นแทนที่จะติดอยู่ที่ผิวหนังมันก็มองทะลุเข้าไปในอาการสามที่สองปัญญามันเกิดราคะมันลดโลภะมันลดโทสะมันลดก็คือไม่รู้จะโกรธใครเพราะมันมีแต่กองดินน้ำลงไฟอากาศแต่นั้นเองมันมันไม่รู้อะไร คือคือเราก็เป็นดินน้ำลงฝอยอากาศแหละเขาก็เป็นดินน้ำลงฝอยอากาศเอ๊ะมันโกรธกันทําอะไรแล้วกหมัดเอาอะไรทำเพราะเป็นดินน้ำลงฝอยอากาศแล้วในที่สุดก็แตกสลายไปพระธรรมเทศนาในช่วงนี้เป็นการรับสั่งก็ เ, เรียกว่าระดับเสกภูก คือหมายความว่าปฏิบัติพัฒนาจิตไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงโน้แหละจนถึงพระนาคามีไปได้เรื่อยๆและจากนั้นก็ส่งแสดงเพิ่มขึ้นในตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเทวดาไม่ถามไม่ถามขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อการถามว่าถางรกชเนี่ย มันจะลืมมาตัญหาทั้งสามนั่นมาจากอาวิชชาผลถึงแม้เทวดาจะหมายเอาตัญหาแต่ถ้ายังตัดที่อวิชชาไม่ขาดเนี่ยตันหามันก็ไม่บล็อกผลจึงทรงเพิ่มขึ้นว่าเยสังราโครางโกรจะโดโซจะอวิชชาจะวิราชิตากีนาสวะอรหันโตเตสังวิท ชิตาชะตาราคาก็ดีโทสะก็ดียวิชาก็ดีอันบุคคลเราใดกาจัดได้แล้วบุคคลเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัณหาตัณหาที่เทวดาบอกไว้ตัวโรคชัดตัณหาเป็นเครื่องยุ่งอันบุคคลเหล่านั้นสางได้แล้ว เป็นเรื่องทำให้รกชัดเนี่ยสางได้แล้วให้เราสังเกตรเราพูดตอนแรกพูดเรื่องตัณหาแต่ทำไมไปไปเป็นดับพวกนี้คือกิเลสก็คือกิเลสเขาเรียกตามอาการเกือมายังมองว่าเราเราพูดทำให้เป็นเรื่องมากแล้วก็ยากแล้วก็ไกลตัวคน ทำให้คนค่อนข้างจะห่างเหินศาสนาตอนลองสังเกตว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยที่มาทึกงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็มีพระบ่นอยู่ทุกคืนในวันจันทร์แสดงว่ากลุ่มผู้สนใจมีพื้นฐานทางศาสนา มากพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งคือมีความรู้สึ ก, กว่าธรรมะคล้ายๆจะเยอะแต่เราเม่กี้พูเจ้าพูดเรื่องตัญหาเขาเดียวโซอิมังวิชะตะเยชะตังภิกษุนั้นพึงถางชัดนั้นได้จะหมายความว่าโดยพลังของศีลสมาธิปัญญาที่เ็าเกิดเนี่ย พังศีสมาธิปัญญาในที่นี้ที่จริงเหมือนกยาที่เรารับประทานเข้าไปภารกิจของเราก็คือรับประทานแต่นั่นเองแล้วก็ต่อไปนั้นยากจะทำปฏิกิริยาต่อสมุธฐานของโรคสมุธฐานลดอาการโรคลดความสบายเพิ่มแล้วก็ไปเนี้ย ถึงจุดหนึ่งสมุธานหมดอาการโรคหมดความสบายปรากฏเต็มที่คือหายขาดแต่โรคต่อมกุกติไม่หายขาดแอุปมาณได้แต่ในที่นี้เป็นการพูดเรื่องหายขาดราคาเป็นกิเลสประเภทกำหนัดทำไมพูดราคาเพราะว่าทรงใชค้คำว่าภิกษุอย่างที่ว่า พรือจกากรรมภิษุถ้าหากว่าผู้กระชาบบ้านก็ตรงเนี้ยจะเป็นโลภะแต่ว่าโลภะกับราคะก็คือกันนะฮะเป็นกิเลสประเภทควา้ามันเกิดขึ้นจากจิตไปกำหนดอารมณ์มารูปสวยเสียงเพระกลินหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วว่ควาปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นอ่ามันก็เป็นการมาตัณหากับภาวะตัณหา บางอย่างเราไม่ชอบอ่ะมันก็เป็นโทสะก็แสดงว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ในขณะที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างหนึ่งในที่จริงใจมันอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอื่นลางเราสังเกตว่ากิเลสมันซ้อนกันอยู่ไม่ต้องการไปทางซ้ายก็คือต้องการไปทางขวา เงื่นตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเวลาเนี้ยเราเราเร า, เรามีการหลอกกันเยอะคือหลอกตัวเองนะแล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือการหลอกตัวเองเช่นสมมติว่าพื้นฐานทางการศึกษาเรียนรู้เราไม่ไม่มากพอตอนความความเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานของคณะสูงมันก็ช้า แล้วก็รู้สึกกค่ๆก็ผิดหวังลึกๆอยู่ข้างในมันก็จะมองในแนวว่าไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นแต่ที่จริงมันเป็นอาการของโทสะคือไม่ชอบก็ในแง่ของความจริงก็คือ พอได้พอมีพเป็นข้าวมันก็มันก็กลายเป็นเป็นกา ร, รมติหาภาวะตัณหาพอไม่ได้มันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่ชอบทั้งหมดมันก็เกิดจากโมหะเพราะทั้งได้ทั้งไม่ได้เนี่ยมันจบที่ไม่ได้ือจบลงที่ไม่ได้ทั้งเป็นทั้งไม่ได้เป็นก็จบลงที่ไม่ได้เป็นเพราะในแง่ของความจริงเราไม่ได้เป็น เราไม่ได้เป็นเราแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงเราก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรที่ควรแก่การยึดถือจริงๆพราะหลั ก, การตรงนี้เป็นหลักการถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าสัน ล, ละหุกัวุติคือประพฤติเบาอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ย่าไรมันเป็นสิ่งที่ ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าพวกบารมีพวกความดีนี่ได้คือได้ในระดับวัตตะเนี่ยแล้วมันก็ส่งเราเข้าสู่วิวัตตะด้วยเพราะฉนผู้พวก น, นี้เป็นเสกธรรมเป็นธรรมะของผู้ศึกษาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าวิชา บิดาคิดมาก็ก็ขจัดราคะขจัดโลภะขจัดโทสะขจัดโมหะออกไปทีนี้ทรงแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นมีอาสะวะสิ้นแล้วเอา้าเห็นไหมพูดเรื่องตัญหาสามพูดเรื่องตัญหาสามแล้วก็มากลายเป็นราคะโทสะโมหะอันนี้ก็ที่จริงก็ เป็นอกุศ ล, ลมูลนะนะเปอกุศลละมูลคือรากง้าของอกุศลแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกชื่อว่าอาสวะก็ได้ปอสวะก็คือกามาสวะอาสวะคือกามก็คือราคาระภาวาสวะอาสวะคือคือพบคือความมีความเป็นนั้นก็เป็นราคะอีกแต่ว่าอย่าลืมว่า ถ้าเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้ไม่ได้เป็นตามที่เราอยากเป็นเราก็เกิดโทสะเปรดพวกนี้ที่จริงก็คือการมาตัญหากับภวตัตหาวิภวตัตหาถ้ามาจากอะไรก็มาจากอวิชาเพราะนัสวะข้อสุดท้ายก็คืออวิชาสวะอสวก็คืออวิชากิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่า แต่เราลองสังเกตว่าจิตใจของของคนเรามันก็หมุนวนกันอยู่แถวนี้ถ้าหากว่าตกอยู่ภายใตย้อน่านกิเลสทีนี้ก็ทรงสอนในประเด็นต่อไปว่ามันก็ในยะของคําว่าอารหังถ้าฟังลองสังเกตคําว่าอาราหังนั้นแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัจจก็อย่างที่ยกไว้ แล้วก็ไกลจากกิเลสและก็วาสนาไกลจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่ทำบาปไม่พูดบาปเพราะกิเลสเป็นเหตุให้คิดบาปมันไม่มีท่านแปลว่าไม่กระทาบาปแม้แต่ในที่รับคือความกิเลสเป็นเหตุให้คิดบาปมันไม่มีเราก็เลิกพูดละรับแจ้งก็เลิกพูด พระท่านยังอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลในอุดมกติทีนี้ต่อมาในทัานก็สัมผัสอารมณ์แหละเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิ้มราถรูกต้องยินดีร้อนแข็งเช่นเดียวกับสามัญชนแต่กิเลสเป็นเหตุให้กำหนัดเป็นเหตุให้ขัดเคืองเป็นเหตุให้ลุ่มหลงเป็นเหตุให้มัวเมาไม่มีอยู่ภายในจิต ผตัเที่จิตของท่านก็เหมือนกับกระจกที่มะร็งวันหยอดไข่แล้วไข่มันก็ตายคือจะไม่เป็นหนอนเพราะอะไรเพราะว่ากระจกมันไม่มีเชื้อหน่าวแต่ว่าจิตของสามัญชนเนี่ยมันเหมือนกับปลาเนื้อเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะมะแรลงวันหยดไข่ก็กลายเป็นไข่ขางแล้วกลายเป็นหนอนเพราะมันมีเชื้อหน่าวอยู่ในตัว มันประการสําคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้า ง, างในนะฮะไม่ได้อยู่ข้างนอกอะไรหรอกข้างนอกมันเป็นเขาเมันอย่างที่มันเป็นน่ยอย่างอย่างที่บอกว่าพูกสุราก็ดีพวกหวยก็ดีพวกอะไรก็ดีก็ช่างมันเนี่ยคือเราไปไปแก้ปัญหาตัวโน้นไม่ได้เราเราต้องแก้ที่ใจคนให้คนงดเว้นเสเองแมกวางอยู่อย่างนั้นแหละลามันก็วางอยู่ยงั้นไม่ได้วิ่งเข้าปากคนเนี่ยนะ หวยมันก็วางอยู่อย่างงั้นแหละถ้าเราไม่ซื้อมันก็จบทีนี้คนเขารู้ว่าความต้องการเนี่ยมันลดการผิตมันก็ลดคนก็เริ่มเตรียมตัวขยับขยายไปหางานใหม่มันไม่จะแก้ปัญหาศีลธรรมแล้วไปสร้างปัญหาสังคมแร้วไปสร้างปัญหาแจกกรรมแต่ถ้าเราแก้แบบพุทธวิธีเนี่ยคนมีวินัยในตัวเองอยู่ที่ไหนก็ได้ ต่อหน้าคนก็ได้รับหลังคนก็ได้ฉันไม่ดื่มฉันไม่เล่นแล้วคนที่มีธุรกิจในเรื่องนี้ธุรกรรมในเรื่องมันเยอะนะคือถ้าเราสั่งเลิกโครมเนี่ยปัญหาว่าคนว่างงานจะเกิดขึ้นเป็นแสนแสนะทำไงวิธีการเหล่านี้ที่จริงมันเหมือนกรโอดละอดบุรีต้องค่อยๆค่อยๆอดค่อยๆลดย้ายเกิด ตีกลับช็อกกลับจนตายไปการแก้ปัญหาสังคมจึงแก้แก้โฉงช่างไม่ได้มันต้องแก้ด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นขัดเกลาไปเรื่อยสางไปเรื่อยขูดไปเรื่อยนะแล้วคนคนมีวิเนในในตัวเองแต่ตรงนี้เป็นการรับสั่งแบบตัดรากง่าเพราะว่าเทวดาพูดถึงสางทางรกชัด พูดถึงการตัดรากงาออกไปเลยว่าต่อจากนั้นเป็นไรนามก็ดีรูปก็ดีปฏิคัสัญญาในรู ป, ปรสัญญาก็ดีย่อมดับไม่เหลือในที่ใดตัณหาเป็นเครื่องยุ่งนั้นย่อมขาดไปในที่นั้นหมายความว่าการกําหนดว่าไอ้นี้คือนามนะไอ้นี้คือรูปนะไอ้นี้คือน่าเกลียดนะไอ้นี้คือน่ารักนะมันไม่มีกิเลส มันไม่มีไม่มีให้กำหนดรานเมื่อไม่กำหนดด้วยความรักความจังไอ้ความรักความจังมันก็ไม่เกิดเพราะกิเลสเป็นเหตุให้กำหนดไม่มีวุธิภาวะระดับเนี้ยคนทั่วไปก็มีได้ระดับหนึ่งอย่างเราเข้าไปในตลาดเนี้ยมีของเป็นนันมากที่ไม่ได้กระตุ้นโลภราคาอะไรให้แกเรา หรือไม่กระตุ้นโทสะอะไรให้แก่เราเพียงแต่ว่าทำยังไงพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มข้นของจิตของธรรมะไปในจิตให้สูงขึ้นเท่านั้นเองถ้าก็เราทำได้ถ้าก็สามารถทำได้เนี่ยแล้วจะเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่อํานวยผลแก่ผู้ปฏิบัติ ก็เรียกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงแสดงว่าอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นแหละปะัญหาสำคัญว่าทำยังไงจึงจะมีการนำมาประพฤติปฏิบัตินะเราเห็นว่าสัปดาห์แรกของเดือนธันวาเนี่ย เป็นสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและก็อะไรจริยธรรมหรือศีลธรรมอะไรนี่มีกิจกรรมต่างๆแต่ว่าเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องของสัปดาห์ไม่ใช่เรื่องของเดือนแต่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตที่ให้เราพูดอย่างมีธรรมะคิดอย่างมีธรรมะก่อนคิดอย่างมีธรรมะพูดอย่างมีธรรมะแล้วก็ทำอย่างมีธรรมะ ก็กำกับด้วยกุศลอย่างน้อยที่สุดมีสติสัมญาความพยายามมีความเชื่อมั่นในเรื่องบุญเรื่องบาปมีจิตใจซึส ง, งบเย็นอยู่ในกุศลธรรมว่าจะได้สัมผัสผ ล, ผลที่ประนีตขึ้นภายในจิตของแต่ละบุคคลต้องฟังเท่ไห่